วันี้ก็ฝึกเข้าฌานกันนะฝึกเข้าอารูปฌานเป็ฝึกเข้าอสาัญยีเป็นกรมรูปฟักหรือเข้าอารูปฌานไม่รับรู้โลกภายนอกไม่สนใจโลกภายนอกไม่มีอะไรมากระเทือนไม่มีสิ่งใดมากระทบพอไม่มีอะไรมากระทบใจก็ไม่ต้องกระเทือนเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานี่วิธีหาความสุขมันมีสามแบบแบบนี้อันแรกเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจ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 รู้สึกไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดใจเราเริ่มเริ่มเคลื่อนไหวนะรู้สึกไหมนี่หัดดูเป็นอย่างเนี้หัดดูลงปัจจุบันนะง่ายง่ายง่ายมากบางคนหลวงพ่อบอกง่ายมากเราก็เลยบอกยากเยอะนะ <c ười> แต่ครูบาอาจารยนะ์ทุกองคนะที่หลวงพ่อเคยสัมผัสมาท่านบอกง่ายหลวงปู่ ด, ดูลย์ก็ว่าง่ายหลวงปู่เทสีหลวงปูติม๋มอะไรนี้ว่าง่ายง่าย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 เก็บกดเฉยๆดูดีดูดีดูเรียบร้อยไม่ดีจริงหรอกพอเรื่องหลวงพอเกยสารที่หนึ่งคนไม่กี่คนนะเยๆๆอะๆแล้วจะพูดยังไงนะเห็นหน้าก็ตาลายละในเก็บไหมพอหลวงพ่อพูดเล่นพวกเรารู้สึกความทายรู้สึกไหมรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง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 มีการดรูปมันจะไ้ยากกว่าการนาอะไนะการูรูปรมาตจะดูได้ยากกว่าที่ น, น, น, น, นี้รูปที่เรารู้จักเนี่ยนะเราเราแต่ละคนไม่เห็นรูปเรารู้แต่อย่างร่างกายนี่เห็นมือใช่ไหมนี่มือไม่ใช่รูปนะมือคือสมมุติบัญญัดฝรั่งไม่เรียกมือเรียกแหนคนจีนเรียกชิ่ว อ, อย่านะ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 ธาตุอาวัยวะแต่ละชิ้นที่เป็นรูปจริงๆก็คือธาตุนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าผมก็คือธาตุอย่างหนึ่งนะก็ธาตุจุมหนึ่งไม่ใช่ธาตุอย่างหนึ่งธาตุจุมหนึ่งนะที่เราสมมติเรียกว่าผมขนะลเล็บฟันหนังก็คือธาตุแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะธาตุสีนะ่นะั่นเองในชีวิตจริงเราจะต้องรู้จุดใหม่ในในหลักฐา น, น, นรูปคลิ้งนี้เราไม่สามารถบังคับจิตให้เห็นรูปได้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 มีแต่รู้กับเผลอรู้กับเผลอนะนั่นแหละไปลองไปอ่านดูนะเล่มเล็กๆถ้าเข้าใจตรงนั้นเอามาทําได้แล้วทำได้ทั้งวันนะเพราะจิตเราทั้งวันมีแต่จิตที่รู้กับจิตที่เปลือนะถ้าแยกด้วยความหลงเนี่ยธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยปังาการฝังคําตอบนะถ้าเมื่อไรความสงสัยเกิดขึ้นในจิตคุณรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ความสงสัยนั้นแหละจะเป็นครูสอนธรรมะคุณคือความสงสัยจะแสดงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปให้ดู